เสสะสิกขา 4 ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกส่งลงอุเขปนิยกรรมเข้าหมู่ ก่อความอื้อฉาวโถกเถียงก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เมื่อสงฆ์จะลงโทษภิกษุณีจันทกาลีนั้นภิกษุณีทุลนันธาก็คัดค้าน ภิกษุณีทุลนันทาทำ ฉไหนเธอจึงไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ดิฉันเป็นคนไม่มีที่พึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครคอยกล่าว เราหรือรื้อฟื้นกรรมที่ตัดสินไปแล้วได้ โดยไม่บอกการคสงห์ไม่รับรู้ฉันทะของคณะเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเพราะ ทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลง ผู้ที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนิยกรรม ภิกษุณีใดเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงโอฆะปณิยกรรม คำใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณี ที่ลงอุเขปนิยกรรมคือถูกสงลงโทษธรรมโดยวินัยคือโดยธรรมใดโดยวินัย คำว่าไม่รับรู้ฉันทะของคณะคือไม่รู้ความพอใจ 2 ครั้งต้องอาบัติทุลละใจจบกรรมวาจาครั้งสุด พระผู้มีพระภาคตรัสเทพภิกษุณีรูปก่อนๆคํา บทภาชนีภาชณีติกกสังคาธิเสกัมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องเรียกเข้าหมู่ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทํา 2 ภิกษุณีเรียก 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้นบัญญัติ 4 จบ อติเสสสิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัดเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จึงถวายอาหารที่ดีๆแก่นางผู้กำนัดภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้ฉันตามความต้องการส่วนภิกษุณีอื่นๆไม่ ภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุ ด้วยมือของตนแล้วเขี้ยวฉันจริงหรือผู้ภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี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 เรื่องภิกษุณีสุนทรีจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มี ภิกษุณีมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่ที่ชื่อว่าผู้กำหนัดได้แก่ชายมีความยินดี นอกนั้นโภชนะ 5 คือข้าวสุกปลาเนื้อภิกษุณีรับประเคนด้วยตั้งใจ คำว่าปฐมาปติฏะคือต้องอาบัติพร้อม ภิกษุณีรับประเคนน้ำและไม้ชมระฟัน ฤๅสัตยราชานมีกายเป็นมนุษย์ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัติทุกกฏฉันต้องอาบัติถุลละใจทุกๆคำเกลือรับ อานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติข้อ 1, 1. าาญญทท5 จบ ที่เสสะสิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้ คนทั้งหลายเห็นภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นที่โรงฉันต่างก็ๆแก่ภิกษุณีสุนทรีนันทาแต่ภิกษุณีสุนทรี ภิกษุณีนั้นถามว่าก็ท่านกําหนัดด้วยหรือนางตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่กําหนัดภิกษุณี บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหน ภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้ ชายผู้นี้ ฉะนั้นภิกษุณีจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนัดหรือไม่กำหนัดก็ตามก็ทำ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 ท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยจบสิกขาบทวิภังคําว่าก่อ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้ ชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเขี้ยวหรือฉันก็ตามท่าน พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเพียงภิกษุณี ภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าจงรับประเพณน้ําและไม้ชมระฟัน ต้องอาบัต อาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีรู้อยู่ สังคาธิเสสสิกขาบทที่ 6 จบสังคาธิเสสสิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการบอกเถือนพระ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขครองสาวถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราขอบอกลา แม่สมณะหญิงเหล่าเอริญที่ประพฤติดีมีความละอาย ก็บอกลาสิขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสาครยทิดาเหล่านี้ ผู้ภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ ขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสาคยะ ภิกษุทั้งหลายทั้งจึงพูดอย่างนี้ว่าฉะนั้นภิกษุณีจันทกาลีโกรธไม่พอใจจึง เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้ ขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิขขาสมณะหญิงจะมี ท่านโกรธไม่พอใจก็จะได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันคร 3 ครั้ง พระเมศลแม้ภิกษุณีนี้ต้องทําคือสังฆาธิเสทที่ชื่อว่ายาวตตติกะนิสสรณิยะเรื่องภิกษุณีจันทกาลี นี้ที่พระผู้มีพระภิกษุณีในความหมายคือไม่ชอบใจแค้นใจคือกล่าวดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระ แม่สมณะหญิงเหล่าเอริญผู้มีความละอายมีพอใจ ก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาของ ท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้โดยชอบเถิดพึง 2 พึง 3 ถ้าเธอสละได้แน่ ภิกษุณีนั้นและภิกษุณีทั้งหลายพึงนำมาท่ํากลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่า ฝ่ายการศึกษาก็ยังมีอยู่ฆานศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนัก ภิกษุณีนั้นอันสงฆ์พึงสวด ดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระหรือแม้สมณะหญิงเหล่าเอือนผู้มีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาก็ยัง พระสงฆ์พร้อมกันแล้วนี้เพื่ออิสระเรื่องนั้นนี่เป็นยัตติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้โกรธไม่ แม้สมณะหญิงเหล่าเอือมผู้มีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาก็ แม่เจ้ารูปนั้นเผืองทักทวงข้าพเจ้ากล่าวความนี้ 2 ข้าพเจ้ากล่าวความ 3 ละถึงภิกษุณีนี้สงสวสมณุภาพเพื่ออิสระเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วย จบกามวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติ 2 ครั้งย่อมระงับไปคําว่าแม้ภิกษุณีนี้ 3 ครั้ง ไม่ใช่ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคําว่านิสสรณิยะ กรรมที่ทำถูกต้องภิกฤูนิสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สระต้องอาบัดสังคาที่เศษกรรมที่ทำถูกต้อง กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจคือ 1 ภิกษุณียังไม่ สังคาธิเสสสิกขาบทที่ 7 จบสังคาธิเสสสิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยภิกษุณีโกรธเพราะเรื่องภิกษุณี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินิกะ บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามแล้วโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะ พวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ พวกภิกษุณีลำเอียงดังนี้จริงหรือชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงและพวกภิกษุณี พวกพิกษุนีลам petitempish sprach ภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เรื่องใสให้เรื่องไสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยให้เรื่องไสยยื่นขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิกษุนีทั้งหลายยกสิคาปทนี้ sales of โกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวก พวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงและพวกภิกษุณี ถ้าคร 3 ครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการจบสิกขาบทวิภังคําว่าก่อ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะคือที่ชื่อว่าอธิกรณ์อย่าง 1 วิวาทาธิกรณ์ 2 อนุวาทาธิกรณ์ 3 อาปัตตาธิกรณ์ 4 ที่ชื่อว่าถูกตัดสินคือไม่ชอบใจแค้น คืออันภิกษุณีเหล่าเอ่ยภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยิน พึงว่ากล่าวตักเตือนเธอ 2 พึง 3 ถ้าเธอสละได้แน่แม่ พวกภิกษุนี้ลำเอียงเพราะชอบละถึงและพวกภิกษุนี้ลำเอียง วิธีสวดสมณภาพและกัมมวาจาสวดสมณภาพภิกษุทั้งหลายก็สงฆ์ ละถึงและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวเธอไม่สละโกรธไม่พอใจ เธอไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมณุปาฐภิกษุณีชื่อนี้ 2 ดิฉันกล่าว ภิกษุณีชื่อนี้สงฆ์สวดสมณุพาดแล้วเพื่อฉละเรื่องนั้น อาบัติละใจที่ต้องเพราะกามวจา 2 ครั้งย่อมระงับไปคําว่าได้ ความว่าสําหรับอาบัตินั้นสงฆ์เท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาธิเสกบท กรัมที่ทำยูต้อง ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้อง 1, 1. ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้น 8 จบ